Look, n a n a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 สมาธิ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 แล้ว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 hablado de hacer มียูนดังนั้น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 ทวนกระแสของน้ำขึ้นไปถึงต้นน้ำโน้นในทางตรงกันข้ามถ้าหากจะไม่ได้ตัดสู้ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าขาดกิเลสไม่ตายขาดกิเลสไม่หลุดเอาะนัททุกข์ไม่ได้วางทานและขันใบนี้ลงไปบนผิวน้ำนี้ให้มันไหลไปตามกระแสของน้ำไว้อย่างนั้นอดีพูดธเ